เห็นไปตามขั้นตามภูมิสี่ตัวปฏิบัติฉะนั้นการปฏิบัติจึงจำเป็นที่พวกเราท่านปูยยังขอนแวะยังสิดมี์มีอคิเหล็กันหาจะต้องกระทำถึงยากลำบากก็ อ, อุตส่าห์พยายามทำไปถึงสะดวกก็ไม่ควรนอนใจเพราะ ยากอาจจะมีทั้งน้าตั้งหน้าที่นี้พี่เจรนาตั้งหนอาสร้างบวนรักษาเนื่อทุกคนสวมใจรักษาตัวอยู่อย่างนั้นบำเพ็ญจิตบำเพ็ญใจให้ตั้งมั่นในอาจใรธรรมในมีชายที่ไหนจะเหลือวิสัยขาตั้งใจแต่พุดแต่จีบัดจริงจัง จะต้องเห็นต้องเต็นเพราะทำนั้นในภูเขัว่าพระรา่าหรือบรรทชิตหญิงหรือทาเล่นเสียแต่ผูีิมีทลุจำคือจำนะคี่ตัวทำไว้เส่นขาดิดามานดาขาดพระอรหันต์หรือทำสังฆเพศทาโยหิตุ บ, บัตคือทำรา้ายพระพุทธเจ้าข้อนี้ พระพุทธองค์ก็บริญ ah ิาทานไปแล้วทํำในได้พวกสิสุสามะเน่งโกดีอุบาสกอุบาสิกาก็ดีเพราะตัวตนสองขันไม่มีพระพุทเจ้าจบริญญาทานไปแล้วจะไปทําแบบเทวทัศทำในได้แต่ก็ยังเหลือที่ว่าข่าดีดามันดาข่าภาลังหันหรือทําสังฆเทศ คือหยาดยุห้สงทะเละบาแหวงจิตเสียงแตกจากกันหนีอยก่ากประเทศคนที่ไม่มีความชั่วส่วนนี้มีสิ์ที่จะปฏิทินปฏิบัติเกี่ยวมักเกี่ยวผลได้ถ้าไม่ห้ามสั้นเหม่อีขวายที่ห้ามสั้น คือปฏิบัติได้แต่จ ะ, จ, ะจะช้าหรืเร็วเหมือนขึ้นอยู่กับาการกระทำขึ้นอยู่กับวาสนาบาณีอีกเหมือนกันคนที่เคยบำเพ็ญมาก่อนคือน้ำที่เขาตักไปตุ่มมาแล้วยังไม่เต็มยังยิ่งยังหน่อยเรามาเพิ่มอีก ข, alloy, ข, yun, ข, ขันสองันมันกดจนใครยังไม่เดยมีใครตักมาใส่เลยถ้ามันตุ่มใหญ่ไปจนเอามาหลายถันทิงจะจนใม่มอย่างนั้นก่อไม่จนพมเป็นยังบกกฟองอยู่มากมีราชนาของพวกเราท่านมันไม่เหมือนกันแล้วเราก็ไม่ทราบว่าราชนามันเจนมาอย่างไร แค่นั water, ้นจึงตั้งใจปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติเหตุใครปฏิบัติให้ตัวเองถ้าตัวปฏิบัติถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าความเยือกเย็นความเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นเป็นอันนี้สงที่เรากับธรรมบำเพ็ญไม่ใช่ <c oughs> เป็นอาน้สงมาจากที่อื่นคนปฏิบัติตามอาจธรรมนั้นทุกคนทุกท่านจะต้องเห็นจะต้องเป็นในตัวในอย่างนั้นก็จะไม่เชื่อจ่าคำคำสอนของพู้เจ้าอย่ายงมีมักมีผลหรือไม่หรือหมดไปตามๆตา ม, ตามสมัย อาจจะโงงใสลังเลเพระพระพุทธเจ้าหรือตำหลักตำราที่เก่าเอาไว้ที่เปเขียนเอาไว้ไม่ทราบว่าพูดใครเป็นคนเขียนเขาก็บอกว่าศาสนาหลวงไปถานั้นพระอรหันต์จะหมดหลวงไปถานั้นจะมีพระอนาคาหล่วงไปถานั้นจะมีเศระฐีทาคาโคดาเขาเขียนเอาไว้มีในตำหลักตำรา จะพูดเขียนนั้นจะเป็นพูดสลารู้จริงจังหรือจะเป็นคนโง่ขนาดไห น, นเราก็ยังไม่สามารถทราบได้ถ้าหาจะเชื่อหลักทำที่พระพุทธเจ้า่ากเอาไว้เวลาขาโตตั ว, าวตาทำโมทำที่พระพุทธเจ้า่ากเอาไว้เป็นสาวารขาตับคำ คือนำผู food, ้ประพฤฏิบัติให้รู้ให้เห็นให้ดีให้เด่นได้สัรที่โกผู้ปฏิบัติจะเห็นเองอตการิโกไม่มีการไห่มีเวลาถ้าหากตังหน้าตั้งตาผู้ปฏิบัติถึงพระพุทธเจ้าจะทรงประสมอยู่หรือปริญิาทานไปผู้ที่ตั้งใจจะปฏิบัติตามธรรมนั้นไม่มีการเสียหาย ไรกิเลสได้เท่าไรจิตใจก็กยิ่งเบายินสบายไปเค่านั้นกิเลสหาักเท่าไรจิตใจก็ยิ่งเหนือ ด, อ, นหอดดำทุกข์ยากลาบากเหนือดร้อนเท่านั้นถ้าหากเราเชื่อมั่นตามบทของคำสื่อพระพุทธเจา้าทรงสอนมั่นกว่านีย่ย ควรจะไปเชื่อว่าอันนาจวัชนามคผลหมดการหมดเวลาอย่างนั้นอย่างนี้ขอให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติดีตามที่ท่านเนี้ยสอนสิ่งใดที่เป็นที่เป็นภัยอย่าไปคิดไปทําในสิ่งเหม น, นั้นจิงใดที่ท่านให้ละหยุดละสิ่งใดที่ท่านให้บําเทนหยุดบำเทน สิงที่ควรล้วก็คือจิ่งที่ชั่วที่เสียโรค ก, กวดหลงเป็นต้นเพราะเป็นมูลของอัศวุ้ามีโลคมีกวดมีหลงแล้วอัุโสอื่นๆซึ่งยังไม่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเจริญเทวีภูมขึ้นเพราะอาศัยมูลเหตุคือซอมโลค ความปวดความหนนี้เป็นสมุดถามจะทำความชั่วต่างๆหนักเน่นเข้าไปทุกวันทุกเวลาอโรพาอโทส า, อ โ, ทาอโมหะคือทำมนโลกไม่ป ว, วดไม่หลงก็เป็นตัวตัง้งตัวตีของกู้ศรทคือธรามสลักผู้ใดจีมีธรรมะมีสติปัญญารักษาใจของตัวอย่างนั้น ความเสื่อมเคยมีอยู่ก่อนหน้าวันตกไปทวามเ่วใหม่ที่จะโผล่หน้าออกมาก็ไม่มีโอกาสเวลาที่จะเกิดขึ้นได้ทวามสงบสุขของใจก่นหาวันที่จะสงบสุขเหนื่อยไปและเอียดเลื่อยไปนี่คือเรื่องที่ทันเหยี่ยเพี้นได้แก่ศีน การรักษาใายวายใจของตนใ้ปกติสมาธิคั้นหนักเนี่ยท้องใจไม่หวั่นไหวในสัญญาอารมณ์ปัญญารอบข่อทิจเรนาให้รู้ให้เข้าใจตามเป็นสิงในสิ่งแบบนั้นเมื่อมันมีอาวุธในตัวฆ่าศัตรูได้แก เรืองของก้เลมันจะมีมากม า, กมายขนาดไหนก็าสามารถสาดตันให้ทะลุปู่มวงไปได้นี่คือทาสิพระพุทธเจ่าทรงแงสอนไม่มีกานไม่มีเวลาทุกสิ่งทุกอย่างให้น้องเข้ามาสอนใจท้องตัวอย่าไปคิดว่าทําอยู่นอก ตายนอกใจนอกขามนอกขัมในผิวว่าอยู่ในนี้ถ้าเราน้อมชมมาพิจรารณาภายในเห็นอะไรน้อมชมมาปลอมใจคนนั้นใจจะเป็นฝุกใจจะเป็นอับเป็นขามในหลงไหลไฟฝันไปในเหลืองโลห์เหลืองสมุทรถ้าหากในน้อนพมมาส่งไป ข้างหน้าเพราะว่าอย่างไรกระรวงออกไปถึงจะฟังคำอ่ า, อานคำกระทรงไปข้างนอกท่านพูดอย่างนั้นท่านพูดอย่างนี้ในน้อมมาพิ่จะมาในจิตในใจทังตัวคนนั้นจะฟังตําตลอดคือตลอดถ้ามีโอกาสเวลาที่จะพบธรรมะอันจริงจังในจิตในใจได้ถ้าจะให้น้องเข้ามา ภายในคือน้องขมาสอนกายสอนใจท่องตัวเสื่เหียนคนทุกข์คนยากคนลำบากลำคางคนเจ็บคนป่วยต่างๆนั่นนะเราก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ก่อนเขาเรานั้นกว่าสุขกวสบายเนี่ยเกิดทุกข์เดือดร้อนอย่างนี้มีความสุขที่ไหนเรื่องทองกาเรามีใจเหมือนเขาไหม เมื่อเรามีาจเราก็จะประสบพบเห็นอย่างนี้หนุนช่วเรื่องที่จะนำมาสอนใจของตัวม่ ใ, ให้ลุ่มม่ ใ, ให้ล ỗ, ใใหลงม่ให้เผิดให้เผินไปในทางราคาปัญหาพออาศัยปัญญาพออาศัยธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงปัดเอาไว้ทำลายใจของตัว ถ้าเราสัมลยาชื่อเรื่อยก็เหมือนกันกับเราปัดกวาดลานวัดหรือปัดกวาดทรายมันปอบหน้านั่งหน้ า, น า, นาอาศัยหน้าพักหน้าอยู่ถ้าเราไม่สัมละาชื่เลยอย่าทราบดีมันจะเป็นอย่างไรแล้วก็เพราะเห็นกันคือเราไม่ปัดไม่กวาดตามป่าตามดง มันนาอยู่น่าอาศัยไหมใบไม้ใบหญ้ า, ามันรกขนาดไหนที่ดีซะแล้วโปร่งแสงใสว่ามันจะตกกระปุกขึ้นระยะเวลาสั้นๆนะอันนั้นตกมานิดอันนี้ตกมาหน่อยไหลข้างไหลหงมเข่ามันก่อนน้าแน่นขึ้นไปตกกระปุกมน้าขึ้นไปคนไปอยู่ไปอาศัยก็ไม่มากมาา น, น่ามากเพราะมันโศกโผกมีจิตใจของผัวเราฉันก็ทำนองเดียวกันถ้าขาดการรักษาการชำระปล่อยใหอารมณ์สัญญาปล่อยให้กิเลสกัญหาตกลงมาวันนั้นนิดวันนี้หนอยหลายครังหลายหนในชำระมันก็น่าแน่นขึ้นไปเวนมองไม่เห็นว่าอะไรเป็นอักเป็นทำอะไรเป็นกิเลสกัญหาเหมือนมิดติดตาไปหมด ถาเราชลระอยู่เรื่อยๆกาจัดอยู่เรื่อยๆอะไรตกลงมานั่นก็มองเห็นแล้วก็ปัดกวาดออกไปชำระออกไปได้ง่ายนี่คือเรื่องสติปัญญารักษาใจชำระใจของตัวสติปัญญาจริงๆญาสาหรับกําจัดวิเวตปัญหา ที่เป็นโรคใจหยุดเยนใจของตัวสติก็คือคามรู้เรรู้ปัญญาก็คือความรอบขรอของจิตของใจรู้แล้วนำมาที่นิพพานาแจ่ไขสจึงใดที่เป็นคิดเป็นใจกำจัดขับไล่จึงใดที่เป็นคุณเป็นประโยชน์เก็บเอาไว้เกี่ยวสอนหยุดสอนใจของตัว คนมีความสุขความสบายคนที่ซึ้งเดือดร้อนวุ่นวายเรวอส่วนใหญ่ก็คือทุกข์จากอารมณ์ของใจคนที่มีอารมณ์มากเท่าไรคนนั้นแหละเจ้าทุกเจ้าทุกข์คนที่สงบได้อารมณ์น้อยเบาสะดวกสบายไม่วุ่นวายในจิตในใจ อารมณ์จึนเป็นเร่องสำคัญแต่อารมณ์นั้นมันเกิดขึ้นอยู่ทุกระยะทุกเวลาถ้างในมีปัญญาแ ก, ก่ไขแล้วก็หลงตามอารมณ์ผิดปรุงสิ่นผิดเจนสิ่นในจิต ใ, ในใจทั้งหมดหลงทีนั้นทีนี้มาเข่ากเ็เลยเลยเถิดเลยแดนเลยสาบอะไรเป็น อาจเป็นทำให้ใจก็เลยเต็มไปด้ยวโยโลกยู่กูโดยล้มโดยชีวิดโดยกันาหาเพราะมีปัญญารำละสารแต่ออนั้นเรารำละสาราที่เจรินาธรรมะของพระพุทธเจ้าพิจรินาถาดุขัน <c oughs> ตามเป็นจรงิงของมันก็มีวันมีเวลาที่ใจจะเชื่อมั่นยอมจำนน ว่าธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเป็นท้องจริงอย่างนี้เป็นท้องดีเยี่ยเศษอย่างนี้เพราะเราทราบเราเห็นเราเป็นในจิตในใจของเราจะต้องเชื่อมาเช่นอื่นไปถ้าใจเห็นใจเช่นถ้าใจไม่เห็นใจเช่นมันจะไม่เชื่อถึงจะได้ยินจาก คนอื่นเลยดูตามสําหรับตารามากดตามมันไม่มีทางที่จะขับไล่จิตใจที่หนุหนหลงตกออกไป้าหากเราบ่ปฏิบัติที่เจริญตามอาจารย์ทำ อ, อ, อ, อ, อยู่เรื่อยๆจิตใจไปเห็นไปเต็นจึริงๆเราเคยได้รู้มาก่อนได้เห็นมาก่อนถ้าหากมันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติ มันจิดกันเหมือนฟ้ากับดินจิตใจนั้นทั้งทัที่เราเห็นมาก่อนเรารู้มาก่อนเหมือนกันแต่จิตมันไม่เต็นให้มันก็เกิดโฉงใสเหมือมันเต็มให้มันหายโฉงใสมันต่อใจชัดเจนความจริงพระพุทธเจ้าเห็นรู้ชัดเห็น ก็รู้เห็นสิ่งที่เรารู้เราเห็นกันนี่พันธุ์ของท่านภารกิจของท่านเรได้ฟงเสียงจากพวกเราได้ฟังกันได้เห็นสิ่งที่เราเห็นกันแต่ท่านนาสิ่งเหล่านั้นน้อมสมาายมาที่เจนากายใจของท่านเป็นความรู้ที่เคยเห็นเคยเจนในจิตุดขนเกิดขึ้น ประทับในจิตในใจทั้งท่านหายสงสัยนี่คือการเห็นภายในเห็นอจเห็นธรรมเป็นอย่างนั้นฉะนั้นพวกเราท่านอยากเห็นอยากเ็นอย่างพระพุทธเจ้าก็จงอุตสาหพยายามที้นิพเจนนะ ในเหลือวิวสัยท่าสั่งใจกระพฤติปฏิบัติความงความคิดความจิตความค่องมันมีอยู่ที่ไหนในชำระสายสาังกาจัดอับไล่มันจะตกออกไปมันจะหมกไปในจิตในใจความสา ง, ส ง, สงสบในต้องห่วงใสทาหากำจัดสัญญารมบอกไฟหมด คามสงบในใจละเอียดหามันเกิดขึ้นมาจากจาการการทมบำเพ็ญนั้นการปฏิบัติไม่ใช่ไปปฏิบัติที่อื่นบุญไมส่วนมีที่อื่นบุญคือความสุขบุญคือความเต็นใจบุญคือความยอดเย็นไม่ใช่จะอยู่ในโรงหนังโรงลิเก มันจะอยู่ตามธรรมตามภูเขามันอยู่กับเราหาเราสงบได้เราสบายได้เราทำจิตทำใจให้เยเยกเย็นมันเกิด ะ, ะต้องเห็นบุญที่ความสุขความสบายเกิดขึ้นตารสะเทศอนติจิตแบบจึงจำเต็มจะต้องกระทำบาเพ็ญ่มช่ตายแล้ว คุณจะทํทาพระพุทธเจ้าตรัสรู้พอตรัสรู้ที่มีชีวิตเป็นอยู่สาวกทั่วไปที่ไล่เกลียดได้ก็ได้จเจเนื่องเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่ไม่ใช่ว่าตายแนละ้วถึงจะได้เราทั่วไปก็ทํานองเดียวกันเราจะเห็นจะเปลนก่อในเมื่อเรายังมีชีวิตเป็นอยู่ ต่างหน้าต่างตาต่อคู่ํำจัดเรื่องชั่วเสียต่างๆที่มันปรงมันคิดในจิตในใจตาไปเห็นเกิดยึดถือไปทางราคาปัญหามันก็ผิดจากธรรมะของมาพุทธเจ้าตาไปเห็นน้อมนำมาคิมวิจิรณ์มาเกิดกำรเกกิเลสปัญหาของใจที่มัน คิดไปปรุงไปว่ามันเสือมันงามมันอย่างมันยืนอย่างนั้นอย่างนี้เจนาทางอศิธาอริคังเจนาทาง อ, อนิจจงอนัตตามันก็หายไปได้ามาเลยหลงไปตามสัญญาอารมณ์ที่มาเหย่อยู่จิตใจอยู่คือการปฏิบัติขาทุกคนระวังรักษามีธรรมะในตัว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 คนจะขี่จะข่าจะขี้ไพบสัตว์ที่มีกําลังเท่าก็ไม่าว่าจะเอาอะไรต่อสู้กับมันโลกอันนี้ <c oughs> มันมีอันตรายคนจึงสร้างอาวุธเอาไว้เพื่อป้องกันตัวในจิตของเรากอทานองเดียวกันมันมีอันตรายเพื่อขจัดปัญหาอารมณ์ของใจผ่านจงหิสั่งอาวุธคีอศีล สมาธิปัญญาเอาไว้เพื่อจะต่อสู้กับที่เหลือกันหานัหนนั้นให้จบไปใจจะสุขใจจงสบายด้วยการพปฏิบัติจึิงเจต น, น้ากี่ของทุกคนที่จะต้องพปฏิบัติจะต้องรักษาหาความสงบในอัดในธรรมความสงบอื่นมันไม่มีถสายจิตไม่สงบ ถึงที่ใจมีอะไรมาก่อความวุนวายใจจิตใจมันกบกวงไฟคิดไฟไม่สงบครับข้พยายามสอนใจในอักในทำทำจิตทำใจให้สงบแล้วมันสงบโยกอันนี้ไม <c ười> ่มีความหมายอะไรนอกจากใจไปหมายใปข้าพยายามสอนจิต <c ười> รวมใจท้องตัวทุกคนมีสิทธิจะปไปองชุปฏิบัติได้เราเกิดมาในช่วงวัยที่อ ย, อยู่คาําฟ้าในวันใดกววันหนึ่งเราจะต้องตายไปจากโลกอันนี้เมื่อยังมีชีวิตอยู่รีบเร่งสังข์วายจะมมทําบำเพ็ญให้เห็นให้เจนเในจิตในใจให้หายท้องไสัยตายไปจะไม่มีภบชาติเพราะความบริสุทธิท์ของใจ ได้ไปพบเห็นแล้วจะไปห่วงอะไรอีกจะไปสงสัยอะไรอีกทำหมดเกิดเป็นอย่างไรทําบริสุทธิ์เป็นอย่างไรมันเข้าใจในตัวนี่มันหมดทุกหมดท้อมันจะเกินไปได้อย่างนี้กวเพราะอาศัยตังใจกะเทือปฏิบัติไม่ใช่ว่ามันจะเกิด เป็นเห็นเป็นใจการอยู่เฉยๆการในอย่างที่นี้ที่เจนะแต่มันเป็นมันเห็นมันรู้ด้วยวอายุเดี๋ยวรรษาโดยในสองที่เจนะถ้าเพียนอะไรทุกคนถี่เกิดมาเกิดใหญ่เป็นคนแก่ก็จะมีอาบมีธรรมมีความสุขความสบายใส่ใจรับสงศิ่บวดมานานก็จะมีอาบมีธร ถึงมีสมาธิมีปัญญามีวิชาลิมุบดุ่ดยกันทั้งนั้นนี่มันไม่เต็นอย่างนั้นมันเป็นเพราะการจต่ทามอมเพิ่มใครต่างหน้าต่างตาจะทํามอมเพิทมสำละสิ่งที่เสวียนผิเสียออกไปจากกายจากใจมอมเพิ่สิ่งที่ดีผิดชอบผมคนนั้นผมมีวันมีเวลาี่จะประสบ นักสะสมผลในเรงของผนงอะไรโอ้เอาละเอวันสายสายขาลร่งไห